ตอนที่สี่ิบหกข้าเต็มใจรอเจ้าเมื่อได้ยินว่าเกาฉางเหอกับซูม่านอินจะไปดูที่บ้านของตนซุนหยงเฉียงก็มีท่าทีประหม่าเล็กน้อยน้าสาวบ้านผมอยู่ไกลามากเลยครับหรือไม่ก็ทําไมกลัวฉันจะเห็นว่าเจ้าน่กโกหกเหรอซุนหยงเฉียงชะงักไปเกาฉางเหอจึงช่วยอธิบายจากด้านข้างเรื่องของเจ้าข้าบอกม่านอินหมดแล้วซุนหยงเฉียงก้มหน้าลงเงียบเปนานพักใหญ่ก่อนจะเอ่อด้วยน้ําเสียงสะอื้น ผมไม่ได้กลับบ้านมาสามวันแล้วผมผมไม่มีหน้าไปสู้หน้าแม่ครับตั้งแต่ตอนที่ซุนยองเฉียงบอกว่าตนเองไม่มีเงินติดตัวเลยสักแดงเดียวนางก็เดาได้ว่าเจ้าเด็กนี้คงไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วไปเถอะไม่รู้ว่าป่านนี้แม่ของเจ้าจะห่วงเจ้าแค่ไหนแล้วซุนยงเฉียงขอบตาแดงก่ําผมจะฟังพี่ครับเกาช้งางเหิรขี่จักรยานโดยมีซูมานอินซ้อนท้ายส่วนซุนยงเฉียงขี่จักรยานของซูมานอินนําทางอยู่ด้านหน้า ซุนหยงเฉียงไม่ได้โกหกบ้านของเขาอยู่ไกลจริงๆพวกเขาผ่านถนนไปหลายสายและเลี้ยวข้าตรอกเล็กๆที่แคบและยาวอีกสองแห่งถึงได้มาถึงที่พักของเขาตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วในยุคสมัยนี้เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าพื้นฐานแล้วทุกบ้านจะดับไฟนอนกันหมดทว่าบ้านของซุนหยงเฉียงกลับยังคงมีแสงไฟสีเหลืองสลัวส่องสว่างอยู่เก้าช้างเหอจอดรถจักรยานสู่บ้านอิงกระโดดลงจากเบาะหลังน้าสาวผมทำไมไม่กล้าเข้าบ้านเหรอ ซูมานอินมองออกถึงความลำบากใจของซุนหยงเฉียงไปเถอะพี่จะเข้าไปเป็นเพื่อนเจ้าเองซูมานอินดึงมือซุนหยงเฉียงแล้วรีบผลักประตูเข้าไปประตูไม้ส่งเสียงเอ็ดด้าดังขึ้นในห้องด้านในมีเสียงแหบพร่าของคนชราดังออกมาหยงเฉียงกลับมาแล้วเหรอข้าอุ่นอยู่ในหม้อในห้องครัวนะไปกินเองเถอะซุนหยงเฉียงกลั้นไว้ไม่อยู่น้ําตาไหลพร่าออกมาทันทีซูมานอินสกิดซุนหยงเฉียงเบาๆแม่ครับผมเองผมพาเพื่อมาบ้านด้วยครับ เพื่อนเหรอหยงเฉียงเออเพื่อนพวกนั้นของเซิร์งจืดเจ้าจะพามาญิงชราเดินออกมาจากห้องด้านในพลางสวมเสื้อคลุมพรางเอ่อยปากสั่งสอนแต่พอเปิดประตูออกมาเห็นซูมานอินกับกระฉังเหอยือนถือของอยู่ในห้องโถงกลางนางก็ถึงกับชะงักไปพวกคุณคือฉันเป็นเท่าแก่ของหยงเฉียงค้าซูมานอินแนะนําตัวตามมารยาทคุณป้าขลายวันมะนีที่ร้านยุ่งมากเลยทําให้หยงเฉียงกลับบ้านช้าต้องขอโทษ ด, ด้วยนะคะ ซูมานอินยื่นข้าวสารและน้ำมันที่นำมาด้วยส่งให้นี่เป็นน้ำใจเล็กน้อยรบกวนคุณป้ารับไว้ด้วยนะคะหญิงชาราหันไปมองซุนหย่งเฉียงผู้เป็นลูกชายเมื่อเห็นเขาพยักหน้าอย่างทื่อๆนางก็เผยรอยยิ้มปราบปื้มออกมาทันทีคุณเป็นเท่าแก่ของหย่งเฉียงนี่เองเชิญเชิญเข้ามานั่งในห้องก่อนหญิงชาราเชิญซูมานอินและเกาฉางเหอเข้าไปในห้องไ อ, อย้ยาพวกคุณยอมรับหย่งเฉียงเข้าทำงานฉันควรจะเป็นฝ่ายขอบคุณพวกคุณถึงจะถูกจะให้พวกคุณเอาของมาเยี่ยมฉันได้ยังไงกัน ควรแล้วค่ะคุณป้าหย่งเฉียงขยันมากที่ร้านถ้าขาดเขาไปฉันคงยุ่งจนทําอะไรไม่ถูกแน่ๆซูมานอินเอ๋ยชมซุนหย่งเฉียงไม่ขาดปากทำเอาซุนหย่งเฉียงหน้าแดงกลับไปถึงคอคุณป้าขย่งเฉียงเป็นเด็กที่มีคุณธรรมแบบนี้ต้องเป็นเพราะการอบรมสั่งสอนของคุณป้าแน่ๆค่ะหญิงชราเชิญแขกให้นั่งลงบนเตียงข้างนางตั้งท่าจะไปหยิบม้านั่งมาให้แต่ถูกซูมานอินดึงมือให้นั่งลงที่ขอบเตียงข้างด้วยกันก้าช้างเหอรกับซุนหย่งเฉียงหาเก้าอี้ม้านั่งยาวมานั่งที่พื้น ซูมานอินกว่าสายตามองไปรอบห้องมันเป็นบ้านดินแบบเก่าของตงเบยเพดานปะด้วยหนังสือพิมพ์เก่าๆตามมุมห้องยังเห็นรอยคราบน้ําที่เกิดจากฝนรั่วซึมเพดานที่เดิมทีก็ไม่สูงอยู่แล้วเมื่อรวมกับเตียงข้างที่กินพื้นที่ไปครึ่งห้องยิ่งทําให้พื้นที่ดูอึดอัดมากขึ้นเออเท่าแก่ น, นี้จะให้ฉันเรียกคุณว่ายังไงดีจ๊ะ อ, อ้อฉันแซ่ซูแค่เรียกฉันว่าเสี่ยวซูก็ได้ซูมานอินตอบกลับด้วยรอยยิม้ม อ, อ้อแล้วคู่รักของคุณละ่ะ หญิงชาราชี้นิ้วไปทางเกาฉางเหอที่นั่งอยู่ที่พื้นเกาฉางเหอพอได้ยินหญิงชาราบอกว่าเขาเป็นคู่รักของซูมานอินหัวใจก็พองโตด้วยความยินดีทันทีคุณป้าครับผมเองเกาฉางเหอไงครับทําไมพอไม่ใส่เครื่องแบบแล้วจําผมไม่ได้เหรอครับหญิงชาราพอได้ยินเสียงถึงได้ระลึกได้นางอดไม่ได้ที่จะตกขาตัวเองแล้วหัวเราะร่าไอหย่าฉันมันสายตายาวตามใบจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นหัวหน้าสถานีเก่านี่เอง ยงเฉียงมัวแต่นั่งบื้ออยู่ทำไมรีบไปต้มน้ํามาให้แขกผู้มีเกียรติทั้งสองท่านเร็วเข้าไม่ต้องลําบากหรอกครับเกาช้างเหอเพิ่งจะอ้าปากผู้ก็เห็นซูมานอินส่งสายตาให้เกาช้างเหอร์รีผูกปากทันทีในใจเข้าใจได้ทันทีว่านี่เป็นพระหญิงชราต้องการกันซุนหยงเฉียงออกไปเพื่อที่จะได้พูดคุยกับพวกเขาตามลําพังซุนยงเฉียงว่าง่ายมากเขาเดินออกจากห้องไปที่ห้องครัวในลานบ้านเพื่อต้มน้ําทันทีที่สาวมีอะไรอยากจะพูดก็พูดมาเถอคะค่ะ เสียส่ยซูผู้อํานวยการกีับเรื่องที่พวกคุณพูดเมื่อกี้ไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมหญิงชารามองสูม่านอินด้วยสายตาคาดหวังซูม่านอินพยักาหน้า ย, ยานืนยันมีผู้อํานวยการเกอยู่ด้วยฉันจะกล้าโกหกได้ยังไงคะดีแล้วละเด็กคนนี้กลับตัวกลับใจเดินบนทางที่ถูกที่ควรได้ต้องขอบคุณพวกคุณจริงๆหยงเฉียงเป็นเด็กพื้นฐานนิสยัยไม่เลวถ้าไม่ใช่เพระเซื้อจื่อเมื่อเอ่ยถึงลูกชายตัวเองดวงตาที่ฟ้าฟางของหญิงชาราก็เริ่มขุ่นมัวขึ้นมาอีกครั้ง ไม่พูดถึงเจ้าเด็กเวนนั่นแล้วหยงเฉียงน่่อยากเป็นทหารมาตลอดแต่เพราะเป็นห่วงฉันก็เลยต้องทิ้งโอกาสไปจริงๆแล้วฉันก็แค่ยายแกคนหนึ่งกินเงินสงเคราะห์ก็พอประทังชีวิตไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยผู้อำนวยการเกาสหายเสี่ยวซูในเมื่อเขาเชื่อใจพวกคุณยอมฟังคำพูดของพวกคุณพวกคุณพอจะช่วยส่งเขาไปเป็นทหารได้ไหม ซูมานอินนึกไม่ถึงว่าความคิดแรกของหญิงชาราหลังจากเห็นลูกบุญธรรมกลับตัวกลับใจคือการส่งเขาไปให้ไกลาจากตัวเองเพื่อทําตามความฝันพี่สาวพี่ทําใจได้เหรอคะจะบอกว่าไม่ใจหายก็คงโกหกหญิงชารากล่าวด้วยความซาบซึ้งแต่ฉันจะเห็นแก่ตัวเกินไปไม่ได้เสิ่์งจะทําลายเขาไปครั้งหนึ่งแล้วฉันจะทําลายอนาคตของเด็กคนนี้ไปทั้งชีวิตไม่ได้ใช่ไหมล่ะซูมานอินพยักหน้าขอบตาเริ่มแดงระเรื่อพี่สาวพี่ชัางยิ่งใหญ่จริงๆคะ่ะ ตอนที่ออกจากบ้านของซุนหย่งเฉียงสองแม่ลูกเดินมาส่งเกาฉางเหอกับซูม่านอินจนไกลมากกลับไปเถอะพรุ่งนี้อย่าลืมไปทํางานแต่เช้านะผมจะไปแต่เช้าแน่นอนครับซูม่านอินทิ้งจั ก, กรยานไว้ที่บ้านของซุนหย่งเฉียงเพื่อให้เขาขี่ไปที่ร้านในเช้าวันพรุ่งนี้เธอนั่งซ้อนท้ายจั ก, กรยานของเกาฉางเหอรับลมยามค่ําคืนอย่างสบายอารมณ์นั่งรถนี่มันสบายจริงๆเลย ซูมานอินอุทานออกมาเมื่อเกาฉังเหอได้ยินเช่นนั้นเขาก็รีพูดประโยคเลี่ยนๆออกมาทันทีถ้าคุณเต็มใจผมสามารถไปรับไปส่งคุณแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยนะซูมานอินชะ ง, งักไปครู่หนึ่งก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นผู้อํานวยการเกาทาไมคุณถึงได้เลี่ยนขนาดนี้เนี่ยหือก็แบบจู่ๆก็พูดจาเลี่ยนๆ น, นะคะมีด้วยเหรอเกาฉังเหอเกาพวกผู้หญิงอย่างพวกคุณไม่ใช่ว่าชอบแบบนี้กันหรอกเหรอ ใครบอกกะละฉันชอบท่าทางเคร่งครึมจริงจังของคุณมากกว่าความโรแมนติกเหมือนท่องตำราแบบนี้มันเลี่ยนเกินไปค่ะเกาช้างเหอด์ดเจ้าเด็กเวนนั่นในใจไหนบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงล่ะก็จะต้องชอบคําหวานแบบนี้กันทุกคนไงไม่เห็นจะเชื่อถือได้เลยแต่เมื่อกี้เหมือนเขาจะได้ยินคําว่าชอบหรือเปล่านะสหายซูมานอิงงั้นคุณเต็มใจที่จะเกาช้างเฮิรยังพูดไม่ทันจบด้วยท่าทางลังเลก็ถูกซูมานอิงขัดจังหวะเสียก่อน ผู้อำนวยการกับคุณไม่อยากรู้เลยเขาว่าทําไมฉันถึงแต่งงานกับโจโเตชางเก้าช้างเหอสายหน้าผมสนใจแค่คุณในตอนนี้เท่านั้นแต่ฉันมักจะรู้สึกว่าตัวเองลืมเรื่องสําคัญบางอย่างไปเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจซูมานอินมาตลอดตั้งแต่มาที่นี่ไม่ใช่แค่ความสงสัยเรื่องการแต่งงานกับโจโเตอชางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชาติกําเนิดของเธอด้วยหากมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจจริงๆเธอจะไม่ทําให้คนที่อยู่กับเธอต้องพล่อยลําบากไปด้วยหรือ ตอนนี้ฉันยังไม่กล้าเปิดใจรับใครดังนั้นสหายเกาชางเหอคุณเต็มใจจะรอฉันไหมคะแผ่นหลังของเกาชางเหอพันเปล่เครียดขึ้นมาทันทีซูมานอินไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่เธอมีเรื่องลำบากใจอยู่ดังนั้นเธอกำลังขอความเห็นจากเขาใช่ไหมผมเต็มใจแน่นอนอยู่แล้วเกาชางเหอออกแรงถีบจั ก, กรยานให้แรงและมั่นคงยิ่งขึ้นสหายซูมานอินขอเพียงคุณเต็มใจผมจะรอคุณตลอดไปเกาชางเหอคุณเลี่ยนอีกแล้วนะ